พระสกุลาเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางทิพยะจักสุอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระนางเกิดเป็นพระชัิดาของพระเจ้าอานันทะในกรุงหังสวดีมีชื่อว่านันธนาและยังเป็นน้องสาวต่างมารดากับพระพุทธเจ้าปทุมุตระด้วยวันหนึ่งนางได้เข้าเฝ้าฟังธรรม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 และได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพิกษุณีผู้เลิศทางทิพยะจักสุตวันหนึ่งท่านพิจารณาถึงข้อวัดปฏิบัติของท่านแล้วเกิดความปีติสมนัตอุทานว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเรือนฟังธรรมของภิกษุแล้วได้เห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมปราศจากทุลีเป็นเครื่องถึงความสุขไม่จุดติข้าพเจ้าจึงละบุตรธิดา รั์และข้าวเปลือกโกนผมบวชเป็นบรรพชิตข้าพเจ้าเป็นศิคขมนาอยู่เจริญมรรคเบื้องบนและละราคะโทสะและอสวะทั้งหลายที่ตั้งอยู่รวมกับราคะโทสะนั้นได้ข้าพเจ้าอุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้วระลึกชาติก่อนได้ชาระทิพยาจักสุให้บริสุทธิ์หมดมนทินอบรมแล้วอย่างดี